ของกุศลกรรมบทเนี่ยนะกุศลกรรมบทที่บอกว่ามีมูลสําหรับผู้งดเว้นจากจิตที่สัมปยุตด้วยยานนี่ยไหมถามว่าในขณะที่อนาธิชามีมูลสองในขณะที่ผู้มีจิตที่สัมปยุตด้วยด้วยยานกล่าวคือด้วยปัญญาก็มีความไม่โกรธแล้วก็มีความไม่หลงกล่าวคือปัญญานั่นแหละเป็นมูล มีมูลเดียวสำหรับผู้งงดเว้นจากจิตที่ปราศจากญาณก็หมายความว่าถ้าในขณะนั้นปัญญาไม่เกิดอมโมหะไม่เกิดเป็นความเข้าใจเป็นความที่จะงดเว้นจากการลักเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีญาณปัญญาที่จะเป็นนั้นเกิดขึ้นโดยการที่มีสติมีความระลึกว่าของสิ่งนี้ไม่ใช่ของของเราอย่างนี้เป็นต้นนะบางครั้งก็ไม่ได้ตรึกพิจารณาถึงกรรมและ ผลของกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหลอกยานปัญญาไม่เกิดในขณะนั้นมีมูลเดียวคือความไม่โกรธแต่อโลพาตัวมันเองจะเป็นรากง่าของตนเองไม่ได้แม้แต่ในอพยาบาทก็ทำนองเดียวกันใช่ไหก็หมายความว่าอพยาบาทเนี่ยคือความไม่โกรธความไม่ผูกโกรธความไม่อคฆาตเนี่ยถามว่าเขาจะเป็นมูลของความไม่โกรธ ค, ความไม่พยาบาทความไม่อคาตะไม่ได้ในขณะที่เกิดขึ้น เพราะการที่เป็นมูลแปลว่าในขณะนั้นเขาสามารถเกิดพร้อมกันได้คือโทสะมีอย่างเดียวความเออความไม่โกรธมีอย่างเดียวนะในขณะเกิดขึ้นในกระแสจิตเขาก็มี1อย่างเขาจะมีความไม่โกรธในเกิดขึ้นพร้อมกัน2อย่างในขณะนั้นไม่ได้เขาจึงเป็นมูลให้แก่กันไม่ได้แก่ตัวเขาเองไม่ได้แต่เขามีความไม่โลภและก็มีความไม่โกรธนั่นแหละเป็นมูลในขณะที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมียานปัญญาเกิดขึ้น ถ้ายกตัวอย่างตรงนี้หน่อยก็จะเห็นชัดเช่นว่าในขณะที่เขาเห็ n สัตว์และสังขา ร, รทั้งหลายแล้วเขาเกิดความกรุณาเกิดความไม่โกรธเกิดความไม่พยาบาทไม่อาคา่าที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ถ้าหากในขณะที่มีสัตว์และสังขารเกิดขึ้นแล้วมีความไม่พยาบาทมีเมตตาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถามว่าในขณะนั้นเขามีปัญญา เข้าสหลคตเข้าเกิดร่วมไหมถ้ามีปัญญาเกิดร่วมเขาก็จะพิจารณาถึงบางครั้งก็ไปพิจารณาถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วสัตว์นั้นก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเห็นสัตว์เหล่านั้นกําลังทําบาปทํทอาอกุศลเขาก็มีจิตที่ไม่พยาบาทไม่อาฆาตมีกรุณาเกิดขึ้นในขณะนั้นใช่ไหม ถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้กรรมและผลของกรรมด้วยแล้วก็มีความเข้าใจถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะทำชั่วกับตนเอง จะทําทไม่ดีกับตนเองยังมีจิตคิดผูกไม่พยาบาทแล้วก็เข้าใจว่าท่านผู้นั้นก็ทํากรรมที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ได้แต่นั่งกรุณานะให้อภัยเขาอย่างนั้นนะว่าเออเนี่ยเขาไม่รู้กรรมนะั้นเขาไม่รู้ผลที่เขาจะได้รับนะีถ้าเขารู้เขาคงไม่ทําตรึกพิจารณาอย่างนี้ปัญญาเกิดไหมปัญญาเกิดด้วยแล้วก็ในขณะนั้นความไม่โลภ ก, ก็เกิดขึ้น และส่วนความไม่โกรธเกิดอยู่แล้วแต่ไม่นับเป็นมูลของเขาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะตัวของเขาเองเป็นกรรมมบทในขณะนั้นเขาจึงมีมูลอยู่สองแต่ถ้าเกิดขึ้นจากความที่ไม่พยาบาทไม่ปองร้ายนั่นแหละแต่ไม่มีญาณปัญญาเข้าทอดคดแปลว่าเขามีมูลเดียวคือมีความไม่โลภอย่างเดียวเท่านั้นให้ก็ตรึกพิจารณาอย่างนี้นะทีนี้นไปทาความเข้าใจอีกอย่าง ไปทำความเข้าใจในคําว่ามูลกุศลธรรมชื่อว่าอโลพะในคําว่าอโลพะหรืออโลโภ ก, กุศลมูลหลังเป็นต้นนั้นเน่ยเพราะไม่โลภคําว่าอโลภานี้เป็นชื่อของธรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับโลภะคือเป็นปฏิปักษ์นั่นเองดังที่ได้กล่าวว่าอโลภาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความโลภเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีความไม่จดใจอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะมีความไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์ มีการไม่หวงแหนหรือมีจิตที่สละบริจาคประกอบถึงว่ามีความไม่ยึดมั่นในอารมมีการจะทำไว้ในใจอันแยบคาย เ, ยเป็นเหตุใกล้เนี่ยลักษณะของเขาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภถ้าความโลภความติดข้องความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอังนั้นไม่ใช่อโลพาเป็นสภาพที่ตรงข้ามกับเขาคือโลพะในสภาพของอโลภาถึงในอโทสะและอโมหะก็ในทานองเดียวกันถ้าอโทสระนี่เป็นยังไง อโทสะเป็นธรรมที่ธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายตรงกันข้ามกับโทสะใช่ไหมเพราะโทสะเกิดขึ้นมาแล้วนี่ประทุษร้ายไหมประทุษร้ายฉะนั้นอโทสะก็คือมีความไม่ดุร้ายนั่นแหละเป็นลักษณะหรือมีความไม่แค็นเคืองก็ได้มีการกําจัดความอาฆาตมีการกําจัดความเร่าร้อนแล้วก็มีความร่มเย็นผ่องใสมันจึงต่างกันกันกบโทสะเป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามกันเลยใช่ไหมที่จริงถ้าหากว่าอาโทสะเกิดขึ้นนี่ก็รู้ได้ทันที ว่าท่านผู้นั้นไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทถ้ามีไม่มีอาฆาตวัตถุเนี่ยคือวัตถุที่ปรุงยาฆาตาเนี่ยเป็นอารมณ์ เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดจริงๆถ้ามองใครแล้วเมตตาเกิดนี่มันมีความสุขนะมองเห็นสัตว์สังขารอะไรต่างๆเมตตาจิตก็เกิดบุญกุศลเกิดอย่างต่อนเนื่องเนี่ยกระแสจิตของท่านผู้นั้นจะเ อ, อิบอิ่มมากนะแต่ทําได้ไม่ค่อยนานเนะี่ยการทำให้ไม่ถูกใจนิดเดียวหายใจเริ่มแรงขึ้นซนะึ ท, ทั้งที่ดูเหมือนเราจะเนี่ยจะไม่กรอดเนะียมัเนเสือจนได้เนี่ยอกุศลมูลก็คืออาโทสะไม่ค่อยเกิดส่วนอโมหะก็คือปัญญานั่นแหละถ้าโดยสูงสวดเก้า ธรรมชาติที่รู้เหตุผลในสภาพตามดำกวาเป็นจริงเลยนะรู้เหตุผลของกรรม รู้เหตุของกรรมรู้ผลของกรรมเลยรู้ว่าทำกรรมอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอย่างไงเนี่ยแต่อย่างนี้เป็นอะโมหะเป็นตัวปัญญาแล้วเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยถ้าปัญญาเบื้องต้นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิไม่ดีเนี่ยจะเจริญวิปัสนาสัมมาทิฏฐินี่เหมืหลุดบ่อยมากเดี๋ยวตั้งแล้วตั้งอีกอย่างนั้นแลยเพราะขนาดกรรมและผลของกรรมยังไม่เคยชัดเจนเล ย, เยต้องเป็นคนที่รอบรู้จริงๆเลนะฉะนั้นสภาพของปัญญาเนี่ยจึงเป็นสภาวธรรมที่มีการรู้แจ้งสภาวธรรมในเบลักษะ แล้วก็กำจัดความมืดเขาเรียกว่ามืดมนอนฑการอาโมหะคือไม่หลงใช่ไหมถ้าหลงนี่มืดไหมมืดแบบมิดเตยถึงขนาดมืดมนอณฑการนี่แปลว่ามิดลักษณะมืดมิดสนิทเลยฉะนั้นอโมหะนี่เขาประกาศความจริงห ร, หรือประกาศความไม่จริงความไม่หลงนีป่ประกาศความจริงไหมประกาศความจริงเห็นพุบ ก, ก็รู้เลยของจริงคืออะไรถ้าสภาพของอโมหะคือปัญญาเกิดขึ้นนะในระดับของ ของปัญญาในระดับพื้นฐานก็จะรู้ว่าเออเนี่ยมีความเข้าใจละเอียดละออยสิ่งสิงนี้หรือเห็นเห็นบุคคลคนนี้ก็มีความเข้าใจว่าการที่ได้เป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะกุศลกรรมบวดีหรือถ้าหาพิจารณาอย่างไรรู้ไหมคนที่งดเว้นจากการฆ่ามาเนี่ยโอ้โหเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ว่าสภาพร่างกายอะไรต่างๆเขาดีเลยเนี่ย ไม่มีความเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะโมหะอโมหะนี่เกิดขึ้นคือตัวปัญญาในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวความไม่โลภเกิดความไม่ไม่ไม่หลงเกิดขึ้นมาเนี่ยมีความเข้าใจว่าผลของเจตนาที่งดเว้นจากการท่าอย่างในข้อแรกเนี่ย ถ้าหากว่างดเว้นจากการฆ่าเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่อวัยวะจะสมบูรณ์มากเราดูเราก็รู้แล้วเนี่ยท่านบุญนี้กรรมเกี่ยวเรื่องของข้อแรกดีมากเป็นคนที่มีสว้ทรงไม่ใหญ่โตแล้วก็กลมกล่อมเป็นสมบัติก็คือสว้ทรงก็งามอนอกจากอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์แล้วยังไม่พอนะสวดทรงยังงามเลยแล้วก็เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยความว่องไวสังเกตได้คนที่ แต่ผลในประวัติการนะในประวัติการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ให้เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่เร็วค่อนข้างที่จะเร็วและไวเป็นคนมีมีเท้าตั้งไว้เป็นอันดีเท้าก็งามตั้งไว้ก็ดูเรียบร้อยเป็นคนสวยงามนั่นเองเป็นคนอ่อนโยนด้วยเป็นคนสะอาดด้วยเป็นคนเกล้ากล้าด้วยเป็นคนมีกำลังมากด้วยเพราะปฏิบาตนี่ไปทาให้เขา กำลังก็สุดโทมย่ดูท่านผู้พูดเนี่ยอันนี้ผลของปาิบาติใช่ไหถ้าอย่างนี้เห็นชัดเลยมองไปมองมามยมสุรีเ้ยยกกันไม่ไหวนี่นี่ผลของปาณธิบาต ท, ทั้งนั้นเนี่พกำลังน้อยทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ดูจากการอ่อนโยนอ่อนโยนทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจเนี่ ไปอยู่ที่ไหนก็เน้นในเรื่องของความสะอาดในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเออให้พิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่านี่ผลของปฏิบัติเนี่ยส้วนทรงในใหญ่โตไอ้สวนสวนทรงนั้นไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินไปก็คือว่าหรือไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไม่อ้วนเกินไปนี่เป็นต้นนี่นี่ยดก็ไม่ดําเกินไปขาวก็ไม่ขาวจนเี้ยเนี่ยเนี่ในลักษณะนี้พอพูดถึงปธิบัตแล้วมันน่าคิดกันนนี่ยนึกไปนึกมางนี่ก็มาเยอะแล้วเรานี่มันผลก็อัลล เป็นคนมีถ้อยคำห้าวหาญเป็นที่รักของคน ท, ทั่วไปแรงๆเลยนีแล้วเป็นคนไม่มีไม่ถูกไม่มีโทษถ้ามีบริษัทบริษัทเป็นยังไงก็ไม่แตกแล้วหรือว่าใครจะกำจัดก็กำจัดได้ยากแล้วพราไม่กลัวภัยทั้งหลายอยู่ที่ไหนไม่กลัวเพราวถึงพระที่มาอยู่ด้วยดั่ น, นอนไม่ได้ขนาดอยู่ด้วยกันขังน้งหมด เช้าทำไมต้อนอนไม่ได้ในขณะอ่านหนังสือในขณะที่เปิดไฟไปไฟมันก็ดับอยู่ดีๆเดี๋ยวก็ติดขึ้นมาอยู่เงี้ย เ, เขาบอกงั้นเขาบอกเขาเขาอยู่ไม่ได้แน่ๆก็ปฏิมียอมตื่นมาอยู่เลยเขา้องอยู่จริงหรือเปล่าว่าอยู่บอกเขาเงีชื่นใจว่ากเลยรู้เลยปฏิบาติในอดีตเยอะ จ, จะกลัวเป็นคนกังวลเป็นคนกลัวเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนที่กับกับศัตรูกําจัดได้ยากาคนที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยใครจะคิดกําจัดก็กําจัดได้ยากมาก จะไม่ตายเพราะความพยายามของบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างนะพระบรมศาสดาของเราพระพุทธเจ้าอัฏฐานเมตตังพิกเวอนาวกาโสเป็นตน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตจักไม่ตายหรือปรินิพานด้วยความพยายามของบุคคลอื่นนะงั้นบุคคลอื่นถึงจะพยายามขนาดไหนก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่พระองค์มีอะไรดีนะผลปรากฏมีอะไรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าไม่มีเลย มีแต่ชนิดที่อยู่ไกลมากนะไม่มีโอกาสส่งผลแล้วเพศนั้เนะเป็นคนมีโรปงามเป็นคนสวดทรงงามเป็นคนที่มีโรคน้อยเป็นคนที่ไม่มีความโศกให้พิจารณาโศกก็ไม่ก่อยโศกกับเา้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เห็นคนตายยังไม่โศกเลย ไม่ต้องพลัดพลาดจากสัตว์และสัง ส, สังขารนั้นเป็นที่รักที่ชอบใจเดยลองตรึกพิจารณาดูกลุ่มของบุคคลที่มากไปด้วยปนานาติบาสเเดี๋ยวก็ต้องจากเดี๋ยวก็ต้องพลัดพลาดจากสัตว์และสังขารนั้นเป็นที่รักชอบสิ่งใดรักสิ่งใดเดี๋ยวก็ต้องจากสิ่งนั้นคิดไปคิดมาหาคนที่ไม่เคยทาําปานาติบาสมาแทบไม่มีเลยนะียประการต่อมาคือเป็นคนที่มีอายุยืนเราะดูตรงนั้นเป็นประมาณนี่ผลของ การงดเว้นจากการฆ่าส่วนอธินนาทานาวิรติคืองดเว้นจากการรักในกลุ่มของบุคคลที่งดเว้นจากการรักในการเว้นจากอธินนาทานามีผลเป็นต้นอย่างที่บอกว่าเป็นคนมีทรัพย์มากเพียงลองคิดดูเนะเห็นสมบัติของบุคคลอื่นมีเจตนางดเว้นได้แค่นั้นนะผลจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นคนมีทรัพย์และข้าวเปลือกผอันเพียงพอเป็นทีนี้ถ้ า, ม, ามีข้าวก็มีข้าวพอกินเลย ทรัพย์ต่างมีมีไม่รู้จักหมดเป็นคนมีโพคาที่ไม่มีที่สิ้นสุดลักษณะของการมีโพคาที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายถึงว่ามีแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเออถ้าดูถึงกลมของพระเจ้าจักรพรรดิยมตุยเขาจะมีจักรเขาเรียกว่าจักรแก้วถ้าจักรแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่สามารถที่จะปกครองทวีปทั้งสี่ทวีปชมพูทวีปอุตรากุทวีปอปราโคยานะ ทวีปปบพาวิธีอหาทวีปสามารถปกครองได้ทั้งทวีปทั้ง4ทวีปนีฉะนั้นเวลาจะไปตามทวีปต่างๆก็ไปได้เยอะเมื่อไปเบ็ดเสร็จแล้วเวลากลับมาเนี่ยจักแก้วก็จะไปเคลียพื้นที่เบดเสร็จแล้วฉะนั้นเวลากลับมาที่เมืองของตนเองเนี่ยจักแก้วนั้นก็ไปติดอยู่กับประตูเมืองเลยและเป็นสมบัติที่ใครไปแต่ต้องไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าจักนั้นมันถ้าหากาพระพลาไอ อยู่ต่อมาพระราชานั้นก็ยังให้อมาดไปคอยดูไปคอยดูว่าจักแก้วของตนเองนั้นเน่ยจะโยกย้ายมาเมื่อไหร่ถ้าหากบอกว่าเขาไปดูอย่างนั้นแหละถ้าต่อมาเกิดถ้าจักนั้นขยับแม้แต่นิดเดียวเนนั่นแหละคือมีเหตุเห ต, เหตุบางอย่างคือจะหมดบุญแล้วหรือบางอย่างก็คือว่ามีเหตุที่จะออกบวชอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากในกลุ่มของบุคคลที่ทําอาทินนาทานมาเป็นอย่างดีคืองดเว้นจากการลักเนี่ยเนี่ยโภคะก็มีอย่าง ยังไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นคนมีพอค้าที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาเองเลยนะทำอะไรได้กำไรในกลุ่มพวกนี้ทำของนินดๆในหน่อยแค่นั้นนะผลกำไรเกิดขึ้นมาถ้ายอมต๋ยจะพิจารณาได้ดีใช่ไหมบางช่วงนะการทำมาค้าขายอดดีเป็นคนที่มีพอค้าเกิดขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงถาวรคือถ้าได้ทรัพย์มาแล้วไม่ค่อยวิบัติไปง่ายๆถ้าเข้าซ้ายออกขวาแล้วไม่ใช่นี่น่น โทษของอธทินารรมเป็นคนที่มักได้โภค้าตามที่ต้องการไว้เออในกลุ่มของบุคคลที่อาทินเว้นจากการรักได้ดีเนี่ยเวลาเขาปรารถนาสมหวังตั้งจิตปรารถนาซั์อะไรเขาไว้เนี่ยเขาค่อนข้างก็สมหวังมาแต่คิดว่าเออน่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเนี่ย คิดอยู่ไม่นานเราเขาก็ได้สมปราถนาถ้าในกลุ่มของบุคคลที่ทําผิดศีลในข้อนี้มามากเนี่ยโอ้โหคิดยังไงก็ไม่ได้สมปราถนาวั น, ว, นวันก็ใช้เวลาเสี่ยงโชคกันไปเล่นการพ น, นันบ้างเล่นหวยบ้างประการต่อมาคือเป็นคนที่ได้ที่มีโภคาไม่ทั่วไปเป็นคนที่มีโภคาไม่ทั่วไปหมายความว่าจะไม่ถูกยึดเนะี่ยไม่ถูกพระราชายึดไม่เสียทรัพย์แก่โจรแก่น้ําแก่ไฟและแก่คนลับมรดกซึ่งไม่เป็นที่รักอย่างยกตัวอย่างเช่นนะถ้ามีญาติ เราบอกว่าไม่ชอบเลยเนี่ยคนคนี้ไม่อยากให้ได้ทราบเลยเนี่ยไม่ได้หรอกปรารถนาแล้วเป็นไปอย่างปรารถนาใช่ไหมถ้ามีความรู้สึกว่าเออถ้าเราตายไปเนี่ยสงสัยคนคนนี้ยหรือว่าทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องตกเป็นของคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นเลยเขาหวังอะไรเขาได้ไงทรัพย์ก็ไม่วิบัติเก<ม>ี่ยวกับในเรื่องของคําว่าเรื่องจะมาถูกโจรป้นเลยน้ําท่วมเอ้ยไฟไหม้เอ้ยเนี่ยอย่างนี้จะไม่เกิดนี้กลุ่มของบุคคลที่รักษาศีลข้อนี้มาดีเป็นคนที่ มักจะได้ทรัพย์อันอันไม่ทั่วไปสําหรับคนสามัญคือหมายความว่าทรัพย์สมบัติที่ดีๆในะถ้าคนธรรมดาเขาจะไม่ค่อยได้กันหรอกแต่กลุ่มของบุคคลที่รักษาอธินาทานมาเป็นอย่างดีเนะี่ยจะได้ประการต่อมาเป็นคนที่มีทรัพย์สูงสุดนะสูงสุดกว่าโลกกว่าสังคมกว่าหมู่ชนนะถ้าไปพิจารณาดูในสังคมเหล่านั้นเขาไม่มีเลยนะทรัพย์สมบัติทิ้นเนี้ยแต่กลุ่มที่คนรักษาศีล ข้อนี้มาดีเออมีเราเป็นคนไม่รู้จักความเป็นผู้ที่ไม่มีสมบัติ จะว่าอ๊ความไม่มีนี่ไม่เข้าใจหรอถ้าจะเห็นได้ชัดเจนคือเห็นการเห็นผ่านรานรุธผ่ารุทธาเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักเลยนะคําว่าไม่มีเนี่ยเพราะเกิดในตระกูลของของพระราชาไม่รู้จักคําว่าไม่มีแล้วฉะนั้นเวลาไปเล่นหรือไปทําอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในสมัยเด็กๆนะท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ไม่มีนะี่เป็นยังไงเพราะท่านไม่เคยเจอสภาวะอย่างเช่นนั้นแล้วกุศลของท่านทัางทำมาเป็นอย่างดีด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ ท่านก็ไปเล่นเล่นกับเด็กๆ เ, เนี่ยถ้าเล่นแพ้แกต้องแต้องเสียขนมแกก็ให้คนคนใช้วิ่งแบลขนมเพื่อเอามาให้เขาแกเล่นเสียนี่นี่ไปไปมามาทีนี้ขนมหมดพอขนมหมดก็เลยว่าคนใช้ก็บอกว่าขนมไม่มีแกก็บอกคนใช้บอกให้วิ่งกลับไปเอาขนมไม่มีให้ไปเอามาคนใช้ก็กลัวเกรงใจก็ต้องวิ่งไปไปบอกไอ้ทางแม่ของ ไม่ใช่สท่านอนุรัตัธตัวโต้ลูกเราสงสัยไม่รู้จักคําว่าไม่มีอย่างนั้นเลยเราจะต้องทําให้ลูกรู้จักคําว่าไม่มีก็เอาจานตาวติดฝาแล้วก็มาให้แล้วลูกเปิดดูจะรู้ไอ้าคาว่าไม่มีเป็นแบบนี้นะีคนใช้ก็ถือมาเขาถือมาเบเสรนะ็จเลยพร้อมเปิดดูขนมเต็มคือคําว่าไม่มีเนี่ยท่านไม่เคยเจอเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์จริงๆเป็นคนไม่รู้จักเลยว่าไอ้คาว่าไม่มีเป็นยไงแล้วก็เป็นคนที่อยู่สุขสบายเนะียแต่ถ้าหากว่าในกลุ่มของ วิบาสของการล่วงลว่ด้อยทรพัพย์มด้อยทรัพย์ยากจนอดอยากไม่ได้สมบัติตามที่ต้องการกะว่าจะได้อยู่แล้วกลับแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็พินาศไปในการค้าถึงมีทรัพก็จะต้องพินาศไปเพราะภัยต่างๆทีนี้ประการต่อมาคือโทษผลของอะไรผลของเว้นจากการประพฤติผิดในการมหรือว่าในข้อของอพรรมจริยาเนี่ยมีผลก็คือเป็นที่ไม่มีค่าศึกศัตรู พอไม่มีค่าศึกศัตรูแล้วก็เป็นที่รักของชนทั้งหลายด้วยเป็นคนที่มักได้ราบได้ปัจจัยต่างๆง่ายๆนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเป็นคนที่รอดพ้นจากภัยแนบายได้วยนะแล้วก็เป็นผู้ไม่ควรที่จะได้ความเป็นหญิงหรือความเป็นบรัน덕เนี่ยเป็นคนไม่มักโกรธเป็นไม่โกรธนั่นเองผู้มักทํากิจการได้เรียบง่ายเป็นคนร่างกายผึงผายเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานเป็นต้นถ้าเป็นหญิงหรือบุรุษก็เป็นที่รักในระหว่างกันและกัน แล้วก็เป็นคนมีอินทรีย์อินทรีย์คือมีตามีหูมีจมูกเนี่ยผ่องใสมากสมบูรณ์เป็นคนมีลักษณะเป็นสมบูรณ์ประการต่อมาคือเป็นคนที่ไม่มีใครรังเกียจสงสัยเออให้สังเกตได้นะคนที่ไม่ผิดศีลในข้อนี้มาเนี่ย จะเป็นคนไม่ค่อยทะเยอะทะยานแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายก็ไม่มีภัยแล้วก็ไม่พัดภาคจากของรักเพราะว่าคนเป็นบุคคลที่ไม่เคยทำกรรมเกี่ยวเรื่องการพัดภาคเหมืาส่วนเจตนาในการงดเว้นจำมุขสาวา่เป็นต้นนี่โดยวรวมไปเลยนะเช่นการพูดเท็จเนี่ยเป็นคนมีอินทรีย์มีตาผา่องใสแล้วเวลาพูดจาในปัจจุบันก็เป็นคนที่พูดจาเพเราะพูดเพราะนี่นแหละโดยในปัจจุบันได้นะ จะพูดจาก็พูดไพเราะและเป็นคนมีฟันขาวสะอาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอ ม, มก็ไม่ต่ำไม่สูงเหมือนกันเป็นคนที่มีสัมผัสสบายรู้จักสัมผัสอันสบายไหมสัมผัสสบายนี่คืออะไรรู้ไหมคือร่างกายนั้นเวลาถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้ยไม่หยาบไม่กระด้างก็เรียกสัมผัสมิจะได้สัมผัสก็ได้สิ่งที่ดีเป็นคนมีกลิ่นปากเหมือนดอกอุบลนใช่ไมมันก็มันใช่ไห ม, ม เกี่ยวกับเรื่องด้านกำรมพุทสุขภาพปันดีมากแล้วที่น่าคิดอยู่อย่างรู้ไหมเป็นสิ่งที่น่าแล้วเห็นได้ชัดเลยเป็นคนที่มีบริวารเชื่อถือรูเชื่อฟังบอกคนไปตายยังไปเลยอย่าแปลกใจว่าคนบางคนที่เกิดมาในปัจจุบันเนี่ยให้คนไปตายเป็นหมู่หม่กุศลเขาดีนะแต่ในปัจจุบันเขาทากรรมไม่ดีแค่ น, น, นั้นเอง เนี่ยคือพูดอะไรมีคนเชื่อหมดเลยแล้วคนยกย่องกันทั้งบ้านทั้งเมืองในทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนชื่วเรื่องเราก็เห็นเห็นอยู่นั้นน่ะคือกุศลเขาทำมาดีทางด้านของเว้นจากการพูดเท็จในอดีตแต่ในปัจจุบันนี่เผาตัวเองอยู่นั่นแหละฉะนั้นเวลาได้กุศลกรรมมาแล้วก็เอาวิบากของกุศลกรรมมาทํากรรมชั่วไงพูดให้คนไปตายก็ตาพูดให้คนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมก็ชื่อแล้วคนก็ไปทําตามนะั่นเนี่ยอย่าแปลกใจนะ ทีนี้พอมานึกถึงตรงนี้ใช่มวันก่อนที่ดูนั้นยังบอกยอมถอยทำไมคนเขาเชื่อเชื่อคนที่เป็นวิชาที่ถี่เยอะเดจาก็เลยบอกอ้อเขาทำกุศลกรรมทั้งด้านมุสาวาดมาดีเว้นจากมุสาวาทมาดี ใช่เวลาเขาจะกล่าวคําสอนจะบิดจะเยี่ยนไปแรต่างๆคนก็จะเชื่อถือหมดเลยแต่ในกรมก็บางคนที่ทํากรรมเกี่ยวกับการเว้นจากการพูดเท็จมาไม่ค่อยดีในอดีตเลยนะไม่ได้เว้นจากการพูดเท็จนะทำก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยพูดถูกคนก็ฟังยิ่งสงสยัยลังเลสงสยัยมันใช่หรืออะไรเงี้ยนะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเห็นไหมเวลาว่าพูดอะไรทำไมคนเชื่อร้อยร้อยร้วเลยไม่ต้องแปลกใจนะ ของจริงด้วยแล้วก็พูดไปแล้วคนเชื่อถือด้วยนั้นเฉพาะพวกเราทั้งหลายจะไปเจอเหตุผลแบบนี้ก็อย่าไปคิดอะไรมากให้คิดแต่ว่าอะมันส่งผลมาแล้วก็มีบริวารบริวารก็แตกแยกเป็นผู้ที่มีถ้อยคําที่น่าเชื่อถือและประการต่อมาคือเป็นผู้มีลิ้นแดงเลือดละเอียดอ่อนเหมือนดอกอุบบลเกี่ยวในเรื่องของมุสาวาส เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นพูดได้เร็วได้คล่องพูดได้ชัดเจนไม่เอ้อออะไรนี่แล้วก็เป็นคนไม่ฟุง้งซ่านไม่ติดอ่างแล้วก็ไม่พูดสับับด้วยนั้นคนชั่วทั้งหลายที่เราไปพูดแล้วให้คนเขาเชื่อถือทั้งหลายไม่ใช่คนสับหลับมันพูดตรงๆรงว่านึ่แต่คนเชื่อเห็นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเออนี่ไม่แปลกเพราะมู้สาวาสเนี่ยเป็นต้นนี่เป็นคนที่ ถ้าผลกรรมส่งผลแล้วเป็นคนที่พูดไม่ชัดนี่ใช่ไหมแล้วฟันก็ไม่เสมอเรียบแล้วก็กลิ่นปากก็แรงมีกายก็ไอร้อนของกายก็สูงตาก็ไม่ปกติวาจาก็ไม่เพลอท่าทางก็ไม่สงา่าคล้ายคนวิกลจริตเงนี้เออถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วลองไปดูโทษของสุราดูไหมตเลิดไปนะเป็นคนมีสติถ้าเว้นจากการดื่มของมืนเมาเป็นต้นเนี่ยเป็นคนมีสติมั่นคงเน แล้วก็ไม่เป็นบ้าเป็นคนมีปัญญาแล้วก็เป็นคนไม่มีความเกลียดค้านอย่าลืมนะคนที่เกิดมาในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนเกลียดค้านขี้เกียดทำงานลุกช้าทำไรช้าเนี่ยแล้วก็เป็นคนเงอะงาเลยถ้าคนนี้ไม่ไม่เป็นคนเงอะงาไม่เป็นคนใบ้แล้วก็ไม่ค่อยเผลอเลยเป็นคนไม่ประมาทไม่หลงงมงายและไม่หวาดกลัวแล้วก็เป็นคนไม่ไม่ลิสยา และพูดก็พูดแต่คำจริงอย่างนี้เป็นต้นเออให้เข้าใจอย่างนั้นนะที่ถ้ากลุ่มของบุคคลที่พูดส่อเสียดคาหยาบและเพื่อเจอริญประโยชน์ก็ดูจากความมั่นคงมั่นคงทั้งกลางเววันและกลางคืนรู้จักคุณท่านแล้วก็ทำทำตอบแทนเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะมีกระตันอยู่ดีก็จะชอบชอบทดแทนบุญคุณของบุคคลเป็นคนตันีไหมใครที่นั่งอยู่นี้เป็นตนีหถ้าตนีในกลุ่ม กรรมที่เคยทำพวกนี้มาเ น, ะ น, ะ น, ะนะี่ยเป็นคนที่ตนีถ้าไม่ตนีเนี่ยถ้าไม่ตนีนี่แสดงว่ากรรมพวกของไม่เว้นจากการพูดเทศเศสียดมาดีตบมมีปัญญามากด้วยอันนั้นคือเป็นอนิสงส์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกาถาอัตถกถาในสมันตะภาษาธิกาบ้างในดีกาบ้างเนี่ยทีนี้มาพูดถึงตรงนี้ให้เข้าใจว่าย้อนมาดูหน้าที่ห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยในความที่บอกว่า ในจำนวนกุศลละมูลเหล่านั้นอโลภาชื่อว่าในย่อหน้าเนี้ยเป็นกุศลละมูลเพราะตัวเองก็เป็นกุศลและชื่อว่าเป็นมูลของกุศลละธรรมทั้งหลายด้วยและก็มีการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเหล่านั้นด้วยเพราะอัตว่าเป็นสภาพแห่งสัมยุท ธ, ธ ร, รรมของกุศลลางเหล่าเพราะอัตว่าเป็นอุปนิสยาป จ, จัยของกุศลและธรรมลางเหล่า ในขณะที่อโลภาคือความไม่โลภเกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นอุปนิสยปปจจัยแก่ใครเป็นอุปนิสยปปจจัยแก่แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นอุปนิสยปปจจัยของกุศลกรรมมอบดได้ทั้ง9นั่นแหละ10ทั้งตัวเขาเองได้เขายังเป็นได้เลยเขาเรียกว่าเป็นอุปนิสยัจจัย เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยนั่นแหะที่มีกําลังอายกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่โลภแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะฆ่าเขาไปทําไมเมื่อไม่โลภแล้วก็ไม่รู้จะรักของเขาไปทําไมเมื่อมีความไม่โลภแล้วก็เลยเว้นจากการพูดเท็จได้ส่อเสียดได้คําหยาบได้ไม่โลภแล้วก็เลยไม่พูดถิ่นในกางเป็นต้นเมื่อไม่โลภแล้วก็พลอยไม่โกรธไปด้วยเมื่อไม่โลภแล้วก็พลอยสั่งสมปัญญาสัมมาทิฏฐิไปด้วยไหม จึงเป็นปัจจัยให้เขาได้อาโทสะความไม่โกรธก็เป็นอุปนิสยปัจจัยแก่กุศลกรรมบททั้ง10ได้สรุปก็คือว่าเอากุศลกรรมบุทั้งสิเนี่ยเป็นตัวตั้งหมดเลยเมื่อเป็นตัวตั้งแล้วก็เอามูลเอาอโลพาเนี่ยเป็นมูลได้ทั้งหมดเนี่ยอโลภาเป็นความไม่โลภเป็นปัจจัยแก่การเว้นจากการฆ่าอโลพะเป็นปัจจัยแก่การเว้นจากการลักอโลพาเป็นปัจจัยแก่การ เว้นจากการโดพืติผิดในกามอโลภาเป็นปัจจัยการเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอเว้นจากความไม่ออสังวร ไม่ให้อภิชาเกิดสังวรไม่ให้พยาบาทเกิดมีความเห็นถูกต้องเห็นไหฉะนั้นเอาอะไรเอาตัวอโลภะเป็นมูลของกุศลกรรมบททั้งหมดอันนี้เป็นอุปนิสยาประใจนะมาเอาอโทสะคือความไม่โกรธก็มาเป็นรากเง่ามาเป็นมูลของกุศลกรรมบททั้งสิไล่มาตามลําดับอโมหะคือความไม่หลง ค, คือตัวปัญญาคือความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นแหละมาเป็นมูลของกรรมบททั้งสิ อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมีอมโมหาเป็นกุศลมูลก็เป็นเช่นเดียวกันพอจะวนได้ไหมแบบเนี้ยถ้าถามบอกว่าถ้าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมีมีปัญญาเป็นเหตุปัจจัยได้ไหมได้ใช่ไหมพิจารณาเห็นรอบครอบมาแล้วเออมันเป็นกรรมเมื่อทําไปแล้วตนเองก็ได้รับนี่ความไม่หลงเป็นบูลของการไม่ฆ่าการรักทรัพย์เป็นต้นกับความไม่หลงมีความรอบรู้ความเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีในกลุ่มของบุคคลที่มีความเข้าใจตรงนี้ดีนะใช่ไหม ก็ประเภทที่ว่าเห็นว่าถูดสิ่งของแล้วบวกกําไรได้ด้วยแล้วก็ถ้าทาอย่างนั้นแล้วจะขาดทุนเนี่ยเราก็รู้แล้วนั่นในกลุ่มของบุคคลที่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเขาดีเนี่ยเขาชัดเจนตรงนี้มากนี่เป็นอย่างนี้นะตรงนี้คงจะแยกแยะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะอ่ะต่อไปคืออริยสัจในกรรมบทอ่ะดูต่อไปนะบัดนี้เนี่ยท่านภาษารีบุตรเมื่อจะย้ําเนื้อความนั้นทั้งหมดที่ท่านได้แสดงไว้แล้วโดยย่อและโดยพิศดารจึงได้กล่าว อปปนาวาระมีอทิว่ายะโตโค อ, อวุโสก็หมายความว่าดูก่อนอวุโสอเนื้อบรรดาบทเหล่านั้นน่บทว่าเอวังกุตรัง เอวังอกุศลังประชานาติความว่ารู้ชัดอกุศลด้วยสามารถแทงอกุศลกรรมบทตามที่ได้แสดงไว้แล้วอย่างนี้ในบทเป็นนาธิโอดเอวังอกุศลเอวังอกุศลามูลังก็ในย่าเดียวกันคือรู้ชัดอกุศลกรรมบทและรู้ชัดมูลของอกุศลกรรมบทคือรู้ชัดอกุศลกรรมบทและรู้ชัดอกุศลมูลนั่นเอง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือด้วยในอย่างเดียวกันนั้นเป็นอันท่านภาษารีบุตรได้กล่าวถึงกรรมฐาน เป็นเหตุนําสัตว์ออกไปจากภพจนถึงอรหัตตมรรคสําหรับผู้บําเพ็ญกรรมฐานมีจตุรารยสัตว์เป็นอารมณ์คําว่ารู้ชัดในขณะนั้นน่ยโดยสูงสุดจริงๆในการที่รู้ชัดอกุศลรู้ชัดอกุศลลมูลรู้ชัดกุศลแ ล, ลและก็รู้ชัดอกุศ ล, ลมูลนั้นนะนีถ้าว่าให้เติมรูปแบบเขาต้องบอกรู้ชัดกุศลกรรมบทรู้ชัดอกุศ ล, ลมูล ร, รู้ชัดกุศลกรรมบทและก็รู้ชัดกุศลละมูล ทีนีด้วยเหตุเพียงที่ว่าการรู้ชัดนั้นจะต้องเอามารู้ชัดในขณะที่ว่าสามารถมากําหนดลงในอริยสัจได้ถ้ากําหนดลงอริยสัจไม่ได้จะเรียกว่ารู้ชัดไหมเรียกว่ารู้ชัดยังไม่สมบูรณ์โดยวัตถุประสงค์ที่ท่านพระสารีบุตรนํามาคําสอนพระพุทธเจ้ามากล่าวนั้นเพื่อต้องการให้รู้ชัด อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะรู้ชัดอกุศลแล้วก็รู้ชัดอกุศลแล้มูลรู้ชัดกุศลและรู้ชัดอกุศ ล, ลมูลเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ท่านจะกล่าวถึงกรรมฐานอันเหตุนําสัตว์ให้ออกไปจากวัฏจัออกจกบพบสามารถที่จะตั้งกรรมฐานแล้วก็พิจารณาเอากุศลกรรมบดหรืออกุศลกรรมบดเนี่ยทั้งมูลของกุศลอกุศลนี่แหละมากำหนดลงเป็นอริยสัจได้ กล่าวไว้อย่างไรเนี่ยดูในหน้า563กล่าวไว้ว่าความจริงอกุศลกรรมบท1สิบและกุศลกรรมบท1สิบเว้นอภิชาท่านกล่าวว่าเป็นทุททุกขสัตต์ในกรรมบทวาระนี้ส่วนธรรมทั้งสองอย่างนี้คืออภิชา อภิชาหนึ่งี่คือโลภะที่เป็นอกุศลมูลหนึ่งท่านกล่าวว่าเป็นสมุทัยสัจจะโดยตรงแต่กรรมบททั้งหมดท่านกล่าวว่าเป็นทุกขสัจจะโดยอ้อมกุศลมูลและอกุศลมูลทั้งหมดท่านกล่าวเป็นสมุทัยสัจจะเออเดี๋ยวพิจารณาอย่างนี้ก่อนว่าอกุศลกรรมบทโลใช่ไหมคือปางนาทีบาตคือฆ่ า, าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นส่วนกุศลกรรมบทคือการเว้นจาการฆ่าเป็นต้นเนี่ยเว้นอภิชาอภิชาคือเว้นตัวโลภะทั้งกุศลกรรมบทเนี่ย อกุศลกรรมบว9เว้นอภิชาและกุศลกรรมบท10ิบเนี่ยนะอันนี้เป็นทุกขศาสถามว่าทําไมจึงเป็นทุกขศาสเป็นสัจจะเป็นความจริงที่จะต้องเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงอย่างเช่นตัวปานาติบาตเนี่ยเป็นทุกขศัส จริงๆเนี่ยเวลารู้ปนานาติบาทต้องกำหนดลงทุกขสัตว์ให้ได้ด้วยซ้ํำไปในรายละเอียดในการกำหนดเช่นในการฆ่าสัตว์เนี่ยการฆ่าสัตว์ที่เป็นทุกขสัตย์เป็นสัจจะที่ควรกำหนดรู้เห็นไหมควรกำหนดรู้เบื้องต้นว่าถ้าทำกรรมอย่างนี้คือการฆ่าแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียหายในวัตต์ต่างการที่เราจะต้องได้รับโทษรับทุก์ได้รับความทรมาน จากการที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากยากแค้นอายุสั้นโรคภยัยไข้เจ็บมากเป็นต้นเนี่ยเห็นวั ต, ตะเห็นเหตุแล้วก็เห็นผลอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ษัตริย์ในระดับในวั ต, ตะแล้วถ้าเว้นจากการฆ่าเว้นจากการฆ่าเราก็ได้รับความสะดวกสบายในวั ต, ตะในภพต่างๆแต่ถามว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทำไมต้องกำหนดรู้ถามว่าถ้ายังเกิดอยู่เนี่ยมีไหม ถึงไม่ฆ่าสัตว์มาเลยนะมีไหมที่จะไม่ทุกข์ถ้ามีร่างกายขึ้นมาแล้วมีไว้ที่จะไม่เจ็บปวดที่จะไม่ทุกข์มีร่างกายมาแล้วมันก็ต้องมีการเจ็บปวดมีการเปลี่ยนอิริยาบถมีการบริโภคอาหารมีการดูแลทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะการเจ็บทุกข์เพราะการตายทุกข์เพราะการทิบัติพัดพลาดเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยปณธานิบาตเป็นทุกขสัตว์เว้นจากปณธานิบาตก็เป็นทุกขสัตว์การกําหนดรอบรู้อย่างนี้ รอบรู้ด้วยความเป็นทุกข์กษัตริย์ให้รู้จักตัวเขาจริงๆเ่อนในเบื้องตอนน้นเละแล้วต่อมาก็บอกเอ๊ะไอ้การที่ปานาธิบาทเนี่ยการฆ่ากับการเว้นจากการฆ่ามีอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยมีอะไรเป็นเหตุอภิชาหรือโลภะเป็นเหตุตัวนี้เป็นสมุทรยะสัจจะตราบใดที่แดงมีตัณหาอยู่ เราก็ยังต้องมีการเว้นไหว้ตายเกิดเมื่อเรามาเกิดมาเว้นไหว้ตายเกิดเราก็มาเจอสัตว์สังขารในบางกลุ่มก็ฆ่าบางกลุ่มก็เว้นจากการฆ่ามันก็มีสองกลุ่มนี่แหละกลุ่มจากการไปฆ่าและกลุ่มที่เว้นจากการฆ่าทีให้พพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นสมุทยรรยัยสัจจะถาม่าทุกขสัจจะต้องกำหนดรู้ดย ยาตาปริญญาใช่ไหมกาหนดรู้ยังไงยาตาปริญญากําหนดรู้โดยการที่ไปรู้สภาพของเขาจริงๆว่าเป็นยังไง ร, รู้จากตัวปานาติบาได้แก่เจตนาในการฆ่าที่มีชีวิตและสัตว์นั่นแหละเป็นอารมณ์เนี่ยตัวปานาติบาคือตัวนี้เนี่ยส่วนการเว้นจากปานาติบาก็คือเห็นชีวิตของสัตว์และเห็นสังขารแล้วก็ชีวิตของใครก็จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถอดเนีเจตนาในการงดเว้นตรงนั้นน่ย คือตัวเว้นจากปนาฏิบัติตัวนั้นเป็นตัวทุกข์สัตว์จะกฆ่าหรืองดเว้นจากการฆ่าเป็นทุกข์สัตว์รู้ตรงนั้นทีนี้พอจะมากําหนดอีกทีบอกว่าและทุกข์สัตว์จากนี้แหะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอตัวปฏิบัติทั้งตัวฆ่าและผลของการฆ่าก็ไม่เที่ยงและงดเว้นจากการฆ่าหรือก็ผลของการงดเว้นจากการฆ่าก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เขาเรียกว่าตีรณปริญญาไปกําหนดรอบรู้ในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกรรมและผลของกรรมเมื่อไปพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ละใช่ไหม น้อมไปที่จะละล้าเหตุละสมุทัยที่จะเป็นเหตุแห่งการค่าเป็นต้นนั่นน่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นนิโรธาสัจจะแล้วก็ปฏิปทาข้อปฏิบัติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งเป็นต้นนั้นเป็นแล้วก็ปฏิปทาที่จะทําการประหารกิเลสแล้วก็มีนิพพานเป็นลมเป็นมรรคสัจจะเหมือนที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าอโลภาที่เป็นอกุศลมูลหนึ่งท่านกล่าวว่าเป็นสมุทัยสัจจะโดยตรงแต่กรรมมบททั้งหมดท่านกล่าวว่าเป็นทุกขสัจจะโดยอ้อมกุศลมูลและ อกุศลมูลทั้งหมดท่านกล่าวว่าเป็นสมุทัยสัจจะเว่าเอกุศลมูลเนี่ยเป็นเป็นสมุทัยไหมตัวมูลของกุศลกรรมบทเนี่ยความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่เป็นเหตุของการไม่ฆ่าใช่ไหยเป็นรากเง้าของความไม่ฆ่าท่านเลยจัดว่าเป็นสมุทัยสัจจะความโกรธความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นเหตุของการฆ่าสัตว์เป็นต้นท่านยังจัดว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุเป็นรากเงาของ ของทุกความไม่เป็นไปแห่งกุศลลมูลและอกุศลมูลทั้งสองท่านกล่าวว่าเป็นนิโรธสัจจะตราบใดถ้าไม่มีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความโลภโกรธหลงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นคือตัวนิโรธคือตัวพาณิพานเมื่อกำหนดรู้ทุกกำหนดรู้ทุกคือกำหนดรู้อะไรรู้กุศลกรรมบทรู้อกุศลกรรมบทเมื่อจะละเมื่อละสมุทัย คือละอโลภาอโทสะอโทสะละโลพาโทสาวมัหานั่นแหละเมื่อรู้จริงรู้แจ้งในนิโรธอริยมรักท่านกล่าวว่าเป็นมรรคกสัจก็หมายคือตัวมรรคนั่นเองไปทํากิจกิจในการมีนิโรธเป็นอารมณ์ใช่ไหมมรรคนี้ไปทํากิจในการที่ประหารกิเลสรู้ไปตามความจริงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้เป็นตัวมรรคสัจสัจา์ทั้งสองท่านได้กล่าวไว้แล้วโดยสรุป ดังพลานามานี้ส่วนสัจจะสองอย่างมีนิโรธกับมรรคพึงกล่าวโดยสามารถแห่งการไม่หมุนกลับไม่หมุนกลับไปไหนไม่หมุนกลับไปไหนไม่หมุนกลับไปในวัฏฏะยกตัวยอย่างเช่นว่ากุศลละมูลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วทําให้เราหมุนไปในภพไหมหมุนไปในภพชั้นสูงหมุนไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพลเป็นพรหมในความไม่โลภเนี่ยแต่มรรคสัจเนี่ยกันนิโรธาสารนิพุทธเจ้า พ, พระท่านภาษาลบุตรเนี่ยสแสดงในที่นี้ต้องการให้หมุนออกจากภพหมุนออกจากวัตฏะถอนออกจากภพแล้วก็ถอนออกจากวัตฏะถึงกล่าวว่านี่คือเป็นตัวสมุ ท, ทยัยนะถึงแม้ว่าจะเป็นกุศลก็ยังเป็นตัวสมมุ ท, ทยัยนะฉะนั้นการที่กล่าวนี้โรทสัต จ, จะเอยมรคสัจเจเองต้องการที่จะให้สัตว์เหล่านั้นไม่คล้องแวะติดอยู่ในกุศลและอกุศลนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้บทว่าโสสัพโสราคานุสยังปหายะเมื่อ เธอละราคานุสัยได้โดยปการละทั้งปวงละราคานุสัยได้โดยปการทั้งปวงคือละโลภะเป็นต้นน่ยความว่าเธอรู้ชัดอกุศลเป็นต้นอยู่อย่างนี้จะละราคานุสัยได้โดยการทุกอย่างละราคาได้ในทุกๆอารมณ์ในทุกๆพบที่เกิดละได้หมดเลยใช่ไหมถามว่าอะไรเนาะที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการละราคาได้อาหาธรรมนะเนี่ยถ้าอาหาธรรคไม่เกิดขึ้นจะละราคาได้ไหมละไม่ได้ ปัจจุบันก็ตั้งจิตปราถนาไว้ก่อนยังไงยังไงขอละลาคะบบทว่าปฏิคานุใสยังปฏิวินโนเทตวาบรรทาปฏิคานุสัยมีที่ท่านกล่าวไว้ว่านำปฏิคานุใสออกได้โดยประการทั้งปวงทีเดียวด้วยคําเพียงเท่านี้พระเทระได้กล่าวถึงใครกล่าวถึงอนาคามีมกักพระอนาคามีบุคคลนี่ละโทสาได้หรือยังละได้แล้วก็คือปฏิคานุสัยท่านก็ขาดกระเด็นด้วยฉะนั้นสามารถที่จะละได้ถอน ราปฏิคานุใยไดย้ฉะนั้นพระอนาคามีบุคคลตั้งหลายเนี่ยถ้าไทายทำอนาคามีมารคให้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าท่านตายท่านไม่เกิดในกาลมาภูมิแล้วเพราะท่านหมดเชื้อคือกามราคะแล้วก็ปฏิคะบทว่าอัศมีติทิฏฐิมานานุสยังสมูหะนิท ทวาถอนทิฐิมานะหรือทิฐิมานาะนุสัยว่าเรามีนะ่ยออกไปได้ความว่าเพิกถอนทิฐิมานาะนุสัยที่เป็นไปด้วยการถือรวมกันว่าเรามีโดยการกระทําบางประการในขันห้าไม่ให้ตกต่ำการที่มีจิตที่ไปผูกพันไปยึดมั่นในขันขันของตนเองเ่ยนะด้วยการมีเราโรคเป็นเราเป็นเราเป็ น, ร, ปปนรูปเป็นต้นน่ยนะในขันห้าเนี่ ย, นะยก็คือกลุ่มของทิฐิมานะเขาเรียกอะไรบางทีท่านเรียกอาห า, ก า, า, างการมังการโดยการ ามาโดยธรรมะบางประการในขันห้าไม่ให้ตกต่ำในบทเหล่านั้นว่าบ ท, ทธิติมานานุสยางท่านอธิบายว่าได้แก่มานา น, านุสยัยมา น, านานุสัยที่เช่นกับทิฐิเพราะว่ามานา น, านุสัยนี้เป็นเช่นเดียวกับทิฐิเพราะมีลักษณะเป็นไปว่าเรามีเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้อย่างนี้ในที่นี้ผู้ประสงค์ทําความเข้าใจในอัศมีมานะให้พิสดารก็ตรวจดูในเขียนมกาสูตรในขันธวารวะคือให้เข้าใจในที่นี้ท่านมา ให้ศึกษารายละเอียดเกี่ในเรื่องของมานะว่าสภาพของมานะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสภาพของทิฏฐิเนี่ยถ้าทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาว่าเป็นปัญญาและก็มีความนวมิดจฉ า, า, า Thom, ทิฏฐิ th it th it th ทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างงไงเช่นไปยึดมั่นขันห้าเป็นต้นว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยในขณะนั้นนถามว่ามานะเกิดไหมมานะก็เกิดเพราะมานะเป็นลักษณะมีการทะนงตนมีการทนง ตนมีการยกย่องตนและสัมพยุทธธรรมเป็นกิจปรารถนาสูงเหมือนธงนเป็นผลด้วยนะความโลภนั่นแหละเป็นประทัดฐานของมานะเอางั้นเลยถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่า เป็นผู้สูงกว่าเขาสำคัญตัวว่าสูงสูงกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอสูงกว่าเขาสำคัญตัวว่าต่ำเสมอเขาสำคัญว่าสูงเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเสมอเขาสำคัญว่าต่ำต่ำกว่าเขาสำคัญว่าสูงต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มมีมานะทั้งนั้นกลุ่มถือตัวทั้งหลายนั่นเองอวิชังปหายะละอวิชาที่เป็นรากเงาของวตตะอาจย์เงิพิยถามว่ารากเง้าของวตตะคืออะไรต้องบอกอวิอวิชา ความไม่รู้คือตัวโมหานี่แหละอวิชชาอวิชชาเนี่ยอืมอวิชชังนี่แปลว่าละอวิชชาที่เป็นรากเหง้าของวัตตะความหลงโมหะหรืออวิชชานี่เป็นความหลงที่แล่นไปในอารมณ์นะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยไม่รู้ในอะไรอไม่รู้ในอะไรอวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไร ไม่รู้ในสภาวะ ร, รมปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์มีความปฏิบัติผิดเนีถ้าพิจารณาคือไม่รู้ในอริยสัจนั่นเนี่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์โดยสรุปคือไม่รู้อริยสัจบทว่าวิชังอุ ป, ปาเทศตวาความว่าให้วิชาคืออรหัตธรรมซึ่งห้าหันอวิชานั้นให้เกิดขึ้นด้วยคําเพียงเท่านี้ท่านภาษารีบุตรได้กล่าวถึงอรหัตมตมรรม สาราบทกล่าววัตถุประสงค์ของอะไรกล่าววัตถุประสงค์เพื่อบรลุษอรหัตธรรมฉะนั้นตัววิชานี่เป็นตัวอรหัตมรรมที่เข้าไปรู้อริยสัจอย่างชัดเจนแต่ถ้าอวิชชาอวิชางนี่คือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจตามความเป็นจริงว่างั้นคือไม่รู้อริยสัจตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากบอกสภาพของอริยสัจเนี่ย อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าทุกขศัตร์เนี่ยควรจะทําปริญญาเนี่ยเป็นปริญญเยยีกิจคือผู้ปฏิบัติจะต้องทํากิจในการกําหนดรู้เนี่ยแต่ว่าอาวิชาเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกขศาตร์นั้นมีการเบียดเบียนบิดขั้นเป็นอัดนะมีการถูกปัจจัยปรุงแต่งมีการทําให้เล่าร้อนเป็นอัดมีการแปลปวนกลับกรอกเป็นอัดเนี่ยเป็นความหมา ย, ยไม่รู้เลยนีถ้ายัางพวกเรารู้ไหมว่าทุกขศาสตร์มีการเบียดเบียน บีบคั้นปีรนาโถเบียดเบียนบีบคั้นได้นืตัวทุกข์ษัตริย์เนี่ยตัวปานาติบาทเบียดเบียนบีบคั้นไหมถ้าหากเว้นจากปานาธิบาเละเบียดเบียนบีบบีบคั้นไหมผลของาทำไมจะไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นทุกข์โดยอัดของเขาโดยความเป็นทุกข์ษัตริย์เนี่ยเขาเบียดเบียนนืเนื้อบีบคั้นแล้วแล้วก็มีมีกมิตถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมปัจจัยปุงแต่งในการฆ่าและไม่ฆ่ามีไหมเร่าร้อนไหมเขามีความเร่าร้อนแล้วก็มีความแปลปวนกับกลอกส่วนสมุทรยศจ๋ามีการรวบรวม ทุกมาให้ถามว่ากุศลลมูลอกุศ ล, ลมูลเนี่ยถ้าเป็นอริยสัตว์เนี่นะเป็นมูลของทุกเนี่ยเขานําความทุกมาให้ไหมรวบรวมทุกมาให้ไหมผลของกุศลทําให้มีตาดีไหมถ้ามีตาแล้วมีไหมจะไม่ทุกเพราะตา ผลของอกุศลก็ทําให้เราเจ็บปวดในการมีตาได้บางทีก็โอ้หถูกเบียดเบียนที่บอกมันเล่าร้อนมันรวบรวมมันตัวสมุทรไทยตัวเหตุเนี่ยเขาเรียกประมวลอะไรอายุหันหน้าดีประมวลทุกมาให้เอาเลยเอาไปถ้ามีใครบอกว่าเอารถไปคันหนึ่งเนี่ยก็อเอาทุกมาให้เราเนี่ยเอาลูกไปคนนึงเอาใครไปคนนึงเอาเพื่อนบ้านไปคนนึงก็อเอาเอาทุกไปให้ใช่ไหมจริงจริงแล้วเขาเอาทุกมาให้เพราะมีสิ่งนั้นมีไหมที่จะไม่ต้องไม่บริหารสิ่งนั้น มีไหมที่จะไม่เจ็บปวดกับสิ่งนั้นมีบ้านกับทุกข์เพราะบ้านมันต้องดูแล้วเขาบอกเขาประมวลทุกข์มาให้เหมือนมีอะดูเหมือนดีอย่านีะผลของกุศลก็ดูเหมือนดีทีนี้วัตถุประสงค์ในสูตรนี้ท่านต้องการให้ออกให้หมุนออกจากวตฏนะนี ต้องให้เข้าใจว่าสูงสุดของสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเริ่มจากปูพื้นฐานครั้งแรกที่ว่าตั้งแต่กรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเข้าใจกรรมและผลของกรรมแล้วก็วิปัสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิจนถึงปัจจเวกสัมมาทิฏฐินะอีกทีนี้ว่าเราจะเจริญสัมมาทิฏฐิได้กค่ไหนขึ้นข้างบนลงข้างล่างไปมาไม่เอาสักสัมมาทิฏฐิเลยยุ่งเลยฉนั้นเขาประมวลทุกมาให้มีการมอบหมายเอาทุกขประมวลเรียบร้อยรวบรวมทุกเบ็ดเสร เขาก็มอบหมายส่งให้เลยส่งผมให้ขนให้เล็บให้ฟันให้จมูกปากลิ้นกายมาให้เอาจิตมาด้วยส่งไม่ให้เบเสร็จแล้วก็มอบสมบัติมาให้ด้วยดูแลด้วยเนี่ยดูแลไม่ดีเดี๋ยววิบัติเนอะเอาสมบัติไปอยากได้อะไรเอาไปเอาไปเหมือนสมัย เด็กเกสมัยเป็นหนุม่มเป็นสาวก็มอบความงามไว้รู้ไหมว่ามอบความทุกข์ไว้เราพยายามยื้ออะไรแต่นี้ดึงไว้ไม่อยู่ที่สุดจริงๆเอาให้เรียวแรงไว้เดี๋ยวก็หมดอให้จมูกไว้2องูหายใจไปหายใจมาจะติดขาดติดอะไรแต่นี้เข้านะเข้ า, ขาแล้วฝนจะตกไม่พอหายใจเลยแล้วหวัดมาเล่นงานเห็นแล้วใช่ไหมเขาให้ทุกข์จริงๆไหม แล้วก็มีการประกอบสัตว์ไว้ในทุกตัวสมุทยาาารยะสัจจาเนี่ยเหมือนกับการจะทําบาปนี่ก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมประกอบให้อยู่ในวัตฏะอยู่แล้วแม้แต่เจริญกุศลในชั้นของพื้นฐานในชั้นของการที่ออกจากวัตฏะไม่ได้ก็ประกอบสัตว์ให้ติดในวัตฏะไหมนั่นแหละทําให้ทหําให้ประกอบสัตว์ไว้ในวัตฏะนั่นเลยทาให้กังวลเขาเรียกประกอบสัตว์ไว้ในทุกข์เพราะว่า จริงๆก็คือว่าเป็นตัวอะไรเขาเรียกเป็นตัวโยคฆะกันเป็นตัวประกอบไว้เนะสร้งโยคัตโถก็ได้มีการทําให้กังวลไปด้วยทุกข์แล้วก็มีความวิตกกังวลแต่สิ่งที่เราเรียกว่าเรามีขนาดมีเล็บเลบหนึ่งยังบอกมันยังเป็นทุกขอ์อ่ะยังไปเตืนทุกข์ก็ายถึงต้องไปดูแลแค่นี้เนีย่ยต้องโอ้โหกังวลมากจะต้องคอยดูแลว่าเดี๋ยวปวดขึ้นมาอีกแล้วอะไรเงี้ยส่วนนิโรธาอริยสัจเนี่ยโมหะเนี่ยอวิชชังเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ไม่เห็น ไม่เห็นนิโรธอันอยู่นอกจากทุกขบอกไม่รู้ว่าเอสภาพที่พ้นจากกองทุกในมีอยู่จริงดับกองทุกดับตัณหาจริงๆไม่ไม่รู้ว่ามื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีสงัดจากเพิงกิเลสจากกองทุกขเนี่ยก็ไม่รู้มีความไม่ตายเนี่ยก็ไม่ทราบใช่ไหมเพราะเห็นแต่มีการตายตายบอไม่มีแล้วอวิชชาปิดหมดไว้สภาวะที่ไม่ตายไม่มีสภาวะที่ออกจากกองทุกไม่มีก็ปิดบาง แล้วก็ไม่เห็นมรรคสัจจะคือการนำออกจากทุกข์เป็นอาจจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าวิชชาเ็าเห็นไหมวิชังนี่จะเห็นเป็นเหตุให้บรรลุนิโรธแล้วก็มีเป็นเหตุให้เห็นพระนิพพานแล้วก็มีการเป็นใหญ่เป็นต้นเนี่ย ฉะนั้นสภาวะของโมหานิปิดบังกิจของอริยสัจมองไม่เห็นเลยไม่มองเห็นทุกขะอริยสัจว่าเป็นปริยากิจเป็นกิจที่ควรปฏิบัติและกําหนดรู้นี่ไม่เห็นสมุทัยะอริยสัจว่าเป็นปหาตัปภิกคือปฏิบัติในเป็นกิจในการที่จะต้องละไม่เห็นนิโรธอริยสัจก็คือเป็นสัจฉิกาตัปภิกเป็นการกิจที่ควรทําให้แจ้งไม่เห็นมรรคสัจจะ อันเป็นภาเวตภิกิิถือเป็นกิจที่ความอบรมแล้วก็จเจริญเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจกิจต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าวิชาเกิดขึ้นมานี่จากอุปาเทตาวายวิชาที่ในอาหารหัตามาร์ค้วยแล้วเขาจะเห็นชัดเจนนะว่าเห็นทุกขศาส์นี่เขาจะเปลี่ยนเสมือนพิษของโรคที่กําลังเสียดแทงร่างกายของเขาอยู่เนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าอาการที่เรามีร่างกายเนี่ยก็เลยเป็นเห็นโรคภยัยแค่เจ็บนี่ยเขารู้เลย ห็นไมว่าทุกขสัจจ์เขาอยู่อุปมาอย่างนั้นหรือเหมือนเชื้อโรคที่กําลังมาเสียดแทงนี่ อ, อุปมาเหมือนอะไรเหมือนสมูทยัยหรือว่าถ้าหายจากโรคได้เนี่ยเหมือนกับ น, นิโรธเนี่ยหรือว่าเหมือนอุบายที่ทําให้หายจากโรคนะี่เหมือนมรรคสัตว์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะกําหนดรู้ได้นะั่นคือวิชาเกิดขึ้นพราะว่าทิเทธวธรรมเเมทุกขสัจทุกขสันติสันตะการโหตินี่เป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกเป็นปัจจุบันทีเดียวก็ความว่าเป็นผู้ทําการตัดขาด ตัดขาดอะไรตัดขาดวัตทุกข์ในอัจภาพนี้ทีเดียวไม่ต้องหมุนกลับไปในวัตตะอีกตอ่อ